พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสองพระสูตรที่สิบสองมหาสีหนาฏสูตรสูตรว่าด้วยการบรรเลือศีหนาฏสูตรใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับในราวป่าด้านตะวันตกแห่งพระนคร น, นอกกรุงเวสาลีสุนัขขตะลิชวีซึ่งหลีกไปจากพระธรรมวินัย ได้กล่าววาจาในที่ชุมนุมชนในกรุงเวสาลีว่าพระสมณะโคดมไม่มีอุตริมนุสธรรมคือฤทธิอำนาจพิเศษแสดงธรรมตามที่นึกเดาเอาพิจารณาเอาตามปฏิพานของตนแต่ธรรมะนั้นก็นาให้ผู้ที่ทาตามพ้นทุกข์ได้พระสารีบุตรไปบิณฑบาตในกรุงเวสาลีได้ทราบเรื่อง จึงนำความมากราบทูลพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสุนัขคตะลิชวีกล่าวด้วยความโกรธคิดว่าจะกล่าวโทษแต่ที่กล่าวว่าธรรมะที่เราแสดงนำให้ผู้ทำตามค้นทุกได้นั้นก็เป็นการกล่าวคุณแล้วทรงสแสดงว่าสุนัขคตะลิชวีไม่มีญาณย่างรู้ธรรมะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า เกี่ยวกับการแสดงฤทธิ์ได้ของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับทิพย์โสตคือหูทิพย์ของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเจโตปริยญาณคือญาณกําหนดรู้จิตผู้อื่นของพระพุทธเจ้ากําลังสิบทรงแสดงกําลังของพระตถาคตสิบประการคือหนึ่งฐานาฐานญาณ ยานกำหนดรู้ฐานะและไม่ใช่ฐานะ 2. วิปากยานยานกำหนดรู้ผลแห่งกรรมในอดีตอนาคตและปัจจุบัน 3. สัพพัธคามินีปฏิปทายานยานกำหนดรู้ทางไปสู่ภูมิทั้งปวง 4. นานาธาตุยานยานกำหนดรู้ธาตาุต่างๆห นานาที่มุติกยานยานกำหนดรู้อัธยาศัยต่างๆของสัตว์ทั้งหลายหกอินทริยะปะโลปริยตายานยานกำหนดรู้ความหย่อนและความยิ่งแห่งอินทรีย์คือศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาของสัตว์ทั้งหลายเจ็ชานาที่สังกิเลสาธิยานยานกำหนดรู้อาการ มีความเศร้าหมองเป็นต้นแห่งธรรมหรือธรรมะมียานเป็นต้น 8. ปุเพนิวาสานุสติยานยานกำหนดพระลึกชาติผลหลังได้ 9. จุดตูบปาตายานหรือทิพยะจักษุยานยานกำหนดรู้ความจุดติความเกิดของสัตว์ทั้งหลาย 10. อาสวัคยายาน ยานอันทาให้กิเลส ท, ที่หมักดองสันดานสิ้นไปได้แล้วตรัสสรุปในที่สุดของแต่ละข้อว่าเพราะมียานแต่ละข้อนี้จึงปฏิญญาณความเป็นใหญ่บรรลือสีหานาทในบริษัทประกาศพรมาจักคือธรรมะซึ่งเปรียบเหมือนลูกล้อหมุนไปสู่ความเจริญอันประเสริฐเวสารัชสี แล้วส่งแสดงความเป็นผู้กล้าคือเวสารัชะของพระตถาคตสี่อย่างซึ่งเป็นเหตุให้พระองค์ทรงปฏิญญาความเป็นใหญ่บันลือสีหานาทในบริษัทประกาศพรหมจักคือไม่ทรงเห็นว่าจะมีสมณะพราหมณเทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกจะกล่าวทักท้วงได้โดยชอบธรรมว่าหนึ่ง ธรรมะที่ทรงปฏิญญาว่าตรัสรู้แล้วไม่ได้ทรงตรัสรู้ 2. อาสวะที่ทรงปฏิญญาว่าสิ้นไปแล้วยังไม่สิ้นไป 3. ธรรมะที่ตรัสว่าทำอันตรายไม่ทำอันตรายได้ 4. ส่ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดไม่นำผู้นั้นซึ่งทำตามให้สิ้นทุกข์โดยชอบได้ บริษัทแปดแล้วส่งแสดงถึงบริษัทแปดที่พระองค์ผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้กล้ากล้าสี่ประการสเสด็จเข้าไปหาเคยประทับนั่งสนทนาสาขะฉาคือไต่าถามโต้ตอบกับบริษัทเหล่านั้นนับจำนวนหลายร้อยบริษัทคือกษัตริย์พรามเขหรหาบดีหรือผู้ครองเรือนสมณะเทพชั้นจาตุมมหาราช เทพชั้นดาวดึงมานพรมไม่ส่งเห็นนิมิตหมายที่ว่าจะเกิดความกลัวความหวาดแก่พระองค์ในบริษัทนั้นๆกําเนิดสีแล้วส่งแสดงกําเนิดสีคือหนึ่งอันทชะกาเนิดจากไข่ 2. ชลาพุชะกาเนิดจากปุ่มเปลือกคือเกิดจากคันมานดา สสังเสทชะคือกำเนิดจากของโสโครกเช่นในของเปื่อยเน่าในน้ำครามสอบปฏิกะเกิดเติบโตขึ้นทันทีเช่นเทพสัตว์นรกบางจำพวกมนุษย์บางจำพวกเปรตบางจำพวกคติห้า แล้วส่งแสดงคติหคือนรกกําเนิดเดรัชฉานภูมิแห่งเปรตมนุษย์เทพซึ่งพระองค์ทรงทราบ พ, พร้อมทั้งทรงทราบหนทางและข้อปฏิบัติที่จะให้ไปเกิดในคตินั้นๆ น, น, นอกจากนั้นยังส่งแสดงด้วยว่าทรงรู้จักนิพพานคือสภาพที่ดับเย็นปราศจากกิเลสและความทุกข์พร้อมทั้งหนทางและข้อปฏิบัติ ที่จะให้ถึงพระนิพพานด้วยการประพฤติพรหมจรรย์มีองศีทรงสแสดงการประพฤติพรหมจรรย์มีองศีของพระองค์คือ 1. บึ่บำเพ็ญตบะอย่างยิ่ง 2. เป็นผู้ปอนหรือเศร้าหมองอย่างยิ่ง 3. เป็นผู้รังเกียจในการทำลายชีวิตสัตว์อย่างยิ่งสี่ เป็นผู้สั ง, งัดอย่างยิ่งแล้วส่งแสดงตัวอย่างในการบำเพ็ญตบะเช่นทดลองเปลือยกายนั่งกระยงนอนบนน้ำเป็นต้นในการเป็นผู้ปอนเช่นปล่อยให้ทุลีละอองหมักหมมจับกายอยู่จนเป็นสเก็ตเหมือนสเก็ตไม้โดยไม่คิดจะลูบทิ้งในการรังเกียจเช่น มีสติก้าวเดินตั้งความเอ็นดูแม้ในหยดน้ำเพื่อไม่ให้สัตว์มีชีวิตขนาดเล็กถึงความพินาศในการเป็นผู้สงัดเช่นส่งเข้าไปอยู่ป่าหลีกเลี่ยงไม่ให้พบคนเลี้ยงโคเลี้ยงปสุสสตว์คนหายาหาฟืนคนทำงานในป่านี้เป็นการแสดงว่าส่งทดลองหมดทุกอย่าง ที่นักบวชสมัยนั้นประพฤติปฏิบัติกันอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในภายหลังที่ส่งคัดค้านการทรมานตัวจะได้ส่งอ้างได้ว่าส่งทดลองมาแล้วไม่ได้ผลการทรมานพระองค์อย่างอื่นอีกทรงแสดงการทดลองของพระองค์เกี่ยวกับอาหารคือมูลโค ร, รวมทั้งมูดคือปัสวะและกริสะคืออุจระ ของพระองค์เองทรงแสดงถึงการเข้าไปอยู่ในป่าที่น่ากลัวซึ่งคนผู้ยังไม่ปราศจากราคะเข้าไปสู่ป่าเช่นนั้นย่อมขนพองสยองกล้าวดยมากทรงแสดงถึงการบรรทมหนุนกระดูกศพในป่าช้าบางครั้งเด็กเลี้ยงโคมาถมน้ำลายรถปัสสาวะรถเอาขี้ฝุ่นโรยเอาซี่ไม้ยอนช่องพระกัน แต่ก็ไม่ทรงมีจิตคิดร้ายในเด็กเหล่านั้นเป็นตัวอย่างแห่งการอยู่ด้วยอุเบกขาสำหรับข้อนี้อัจถรถาเล่าว่าพวกเด็กเลี้ยงโคพยายามรังแกด้วยประการต่างๆด้วยต้องการจะให้รับสั่งแต่ก็ทรงนิ่งเฉยอันเป็นพฤติการตอนหนึ่งระหว่างทรงค้นหาความจริงเพื่อตรัสรู้ ทรงทดลองความบริสุทธิ์เพราะเหตุต่างๆหนึ่งสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวว่าความบริสุทธิ์มีได้ด้วยอาหารจึงทรงยังพระชนชีพด้วยผลกระเบาเขียวผลกระเบาผลกระเบา้อปนดื่มน้ำกระเบาบริโภคกระเบาที่ทำเป็นชนิดต่างๆทรงยังพระชนชีพด้วยถั่วงาข้าวสารคือลองเป็นอย่างๆไป ลดลงจนเหลือเพียงกระเบาถั่วงาหรือข้าวสารเพียงมเมล็ดเดียวเพราะขาดอาหารนั้นทำให้พระกายสูบซีดชวนล้มเมื่อลูกพระกายพระโลมาซึ่งมีรากเน่าก็หลุดจากพระกายแต่ก็ไม่ได้ส่งบรรลุธรรมอันยิ่งของมนุษย์เพราะไม่ได้ส่งบรรลุปัญญาอันประเสริฐอันจะทำให้ถึงที่สุดทุกได้สอง สมณพร า, บบาพหมงกล่าวว่าความบริสุทธิ์มีได้ด้วยสงสารคือการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่มีการท่องเที่ยวไปในที่ใดที่ไม่ทรงเคยไปจะพึงหาได้ง่ายโดยการอันนานนี้เว้นไว้แต่เทพชั้นสุทาวาสเพราะถ้าท่องเที่ยวไปในเทพชั้นสุทาวาสซึ่งเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีผู้ไม่กลับมาสู่มนุษยยะโลกอีก พระองค์ก็จะไม่มาสู่โลกนี้อีกข้อสามและสี่สมณพราหมณ์บางพวกกล่าวว่าความบริสุทธิ์มีได้ด้วยอุปบัติคือการเกิดอาวาสคือการอยู่ก็ไม่มีการเกิดการอยู่ในที่ไหนที่ไม่ทรงเคยเกิดเคยอยู่โดยการอันานนี้เว้นแต่เทพชั้นสุทาวาสเพราะถ้าทรงเกิด ทรงอยู่ในเทพชั้นสุดทาวาดก็จะไม่มาสู่โลกนี้อีก5สมณพราหมณบางพวกกล่าวว่าความบริสุทธิ์มีได้ด้วยยันก็ไม่มียันชนิดไหนที่ไม่เคยทรงบูชาโดยการอนนา น, นี้ 6. สมณพราหมณ์บางพวกกล่าวว่าความบริสุทธิ์มีได้ด้วยการบำเรอไฟ คือหาเชื้อใส่ไฟตลอดเวลาก็ไม่มีไฟที่ไม่เคยทรงบำเรอโดยการอันนานี้คนหนุ่มจึงมีปัญญาจริงหรือสมณพรามบางพวกหล่าว่าคนยังหนุ่มอยู่ในปฐมวัยจึงประกอบด้วยความเป็นผู้เฉลียวฉลาดด้วยปัญญาเมื่ออายุถึง8ป9 0 1 0 0บหนึ่งร้อย ก็เสื่อมจากความเป็นผู้เฉลียวฉลาดด้วยปัญญานั้นซึ่งไม่พึงเห็นเช่นนั้นเพราะพระองค์เองมีพระชนมายุ80ดสิำเนินพระสาวกสี่รูปมีอายุถึงร้อยก็ยังประกอบด้วยสติคติและความทรงจําอันยอดเยี่ยมประกอบด้วยความเป็นผู้เฉลียวฉลาดด้วยปัญญาอันยอดเยี่ยมสาวกเหล่านั้นทูลถามปัญหาเกี่ยวกับสติปัฐานสี่ คือการตั้งสติสี่อย่างก็ส่งต่อไปเธอก็ส่งจําไว้ได้ไม่ต้องถามเป็นครั้งที่สองการแสดงธรรมการแยกบทแห่งธรรมการตอบปัญหาของตถาคตไม่มีที่สิ้นสุดคือดำเนินไปได้ติดต่อกันเว้นไว้แต่กินดื่มหรือถ่ายอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นสาวกทั้งสี่รูปนั้นผู้มีอายุหนึ่งร้อย ก็จะทำกาละเมื่อล่วงหนึ่งร้อยปีแม้ท่านทั้งหลายจะหามตถาคตไปด้วยเตียงความแปลเป็นอย่างอื่นแห่งความเป็นผู้เฉลียวฉลาดด้วยปัญญาย่อมไม่มีเลยแก่ตถาคตพระนาคาสมาละถวายอยู่งานพัดอยู่เบื้องพระปริสดางกราบทูลว่าท่านสดับธรรมบัญญญานี้แล้วเกิดคนลุก ควรจะเรียกธรรมะปริยายนี้ว่าอกไรตรัสตอบว่าควรเรียกได้ว่าโลมาหังสนะปริยายซึ่งแปลว่าเรื่องที่ทำให้ขนลุกหมายเหตุมหาสีหนาทสูตรนี้สมเป็นการบรรเลงสีหนาที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นการเปล่งพระวาจาอย่างอาจหานเล่าความที่เคยทรงทดลองปฏิบัติมาแล้วทุกอย่างตามที่เข้าใจกันว่า จะรัดสรู้ได้แต่ก็ไม่สำเร็จการค้านข้อปฏิบัติของสมณพราหมณ์ครั้งนั้นจึงเป็นการค้านอย่างมีเหตุผลยิ่ง